มีคำถามที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันของหลายๆคน <c oughs> แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวคือเรื่องการไปใส่บาตรหลายคนก็บอกว่าการใส่บาตรเนี่ยต้องรอให้พระให้พรก่อนแต่บางคนก็บอกว่าพระไม่ต้องให้พรเพราะว่าไม่มีการบัญญัติเอาไว้เลยว่าตอนใส่บาตรแล้วพระต้องให้พรดังนั้นเพื่อ ไม่ให้เราสงสัยกันผิดผิดถูกๆต่อไปจะนิมมสการเรียนถามท่าอาจารย์คึกฤทธ์อะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะการใส่บาตรในส่วนเกี่ยว <c oughs> กับเรื่องของการให้พร น, นี่เป็นยังไงคะอ๋อก็คือตรงนี้เนี่ยเราต้องไปดูพระพุทธวจนะคําที่พระเจ้าเนี่ยบอกสอนในเรื่องของการบิณฑบาตซึ่งอยู่ในเรื่องของวัด14ข้อวัด14ข้อของภิกษุ เช่นข้อวัดของภิกษุผู้จะมาภิกษุผู้จะไปข้อวัดในเรื่องของเสนาสนะการเข้าห้องน้ําห้องส้วมข้อวัดในเรือนไฟข้อวัดของอุปชาข้อวัดของลูกศิษย์ข้อวัดของผู้บิณฑบาตการขบฉันต่างๆอย่างเนี้ยครูเจ้าจะบอกจะบรรยายไม่หมดการออกบิณฑบาตจะทําอย่างไรห่มจีวรซ้อนสังขากลัดลังดุมนะบาทอยู่ในจีวรการเดินทําอย่างไรไม่เดินไกวแขนทอดสายตาลงต่ํา อย่างนี้ให้มีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านพระเจ้าจะคุมอากัปกิริยาของพระหมดและจะบอกอย่างละเอียดในข้อว่าในการบิณฑบาตนั้นเนี่ยไม่ได้ระบุเรื่องการอนุโมทนาไว้เลยการอนุโมทนานเนี่ยท่านเรียกว่าอนุโมทนาวัดอนุโมทนาวัดเนี่ยทำในที่ไหนพระเจ้าบอกว่าเราอนุญาตให้อนุโมทนาในที่ฉัน mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าที่ใดเนี่ยเป็นที่สําหรับภิกษุจะนั่งฉันเนี่ยนะตรงนั้นนะ่ะเป็นที่สำหรับการอนุโมทนาทั้งนั้นเนี่ยก็มีเหตุอยู่ เมื่อผู้เจ้าให้อนุโมทนาในที่ฉันปรากฏว่าคนอนุโมทนาเนี่ยก็เลยกลายเป็นอนุโมทนาคนเดียวภิกษุองค์อื่นเนี่ยหายไปหมดผู้เจ้าก็บัญญตัติเออการอนุโมทนานะให้เป็นหน้าที่ของพระเถระพอพระเถระคนอื่นก็หายไม่ไม่อยู่รอก็เลยต้องบัญญัติเพิ่มว่าอะให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยอยู่รอด้วยนะจนกว่าจะอนุโมทนาเสร็จพอบัญญัติอย่างนั้นปรากฏว่ามีเหตุปวดท้องอุจจะปัสสวะ ก็ลาดที่นั่นเรื่องก็มาถึงพระเจ้าพระเจ้าก็บอกอา้าวถ้ามีเหตุเนี่ยบอกพิสูุองค์ข้างๆได้แล้วก็ไปได้ไม่เป็นไรเนี่ยมันมีมันมีเหตุปัจจัยมาก่อนในเรื่องของการอนุโมทนาว่าควรทําที่ใดอย่างไรอย่างเนี้ยไม่ไม่ใช่ว่ า, าเราเป็นศาสด า, า, า, าเองเราคิดว่าเออไอตรงนี้มันดีนะแล้วเราก็ทําขึ้นมาตรงนี้มันดีเราทําขึ้นมาแล้วพระที่ไม่ทําะไะพระที่ไม่ได้ทํารักษาเอาไว้เลยกลายเป็น พระกลุ่มนั้นน่ยปฏิบัติผิดไงใช่ค่ะเพราะวันนี้ญาติโยมก็สงสยัยเอ๊ะทาไมพระจะไม่มาเป็นสายยาววัดเดียวก็มามหลายๆวัดใช่ไหมทําไมพระบางวัดเป็นอย่างนั้นหให้พรบางวัดไม่ให้พรบางวัดทําไมสะพายบาทบางวัเดเข็นรถเข็นเอ๊ะท่านคะงั้นถามอะไรหนึ่งเนี่ยเอาแค่พรนี่ก่อนนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าต้องพระพุทธเจ้าระบุว่าให้ไปอนุโมทนาในที่ฉันนะคะเหตุผลของท่านมีไหมคะว่าเพราะ ก็คือผู้เจ้าบอกว่าคารวะเนี่ยต้องการต้องการพรต้องการความประเสริฐน ะ, ะ, ะแต่ถ้าถ้าเขาไม่ขอเนี่ยเราก็ไม่ให้ได้นะคือคือไม่จําเป็นต้องให้ทุกครั้งแต่ถ้าเขาขอเขาต้องการเนี่ยเราก็ให้ได้ท่านก็อนุ ญ, ญาตและถ้าสมมต<น>ิว่าท่านไม่ให้พรขนาดนั้นคนใสบาทได้บุญไหมคะก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าผู้เจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม บุญกรรมต่างๆเนี่ยจะได้ด้วยการตั้งเจตนาของเราสําเร็จประโยชน์ที่เจตนาแล้วนะคนจริงประเด็นเนี่ยจริงๆไม่อยากลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการใส่บาตเพราะว่าเราก็คุยกันไปแล้วแต่ว่ามันมาถึงตรงที่ว่าเท่ากับเป็นการบอกอย่างหนึ่งว่าชาวพุทธเองก็ไม่รู้นะคะว่าที่ถูกที่ควรน่ะควรเป็นอย่างไรเพราะว่าพระสงฆ์เหมือนกันแต่ต่างที่กันก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย แนวทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้ซึ่งเราต้องถือว่าถูกที่สุดเนี่ยนะคะมีหลายเรื่องไหมคะที่ทุกวันนี้เนี่ยยังเป็นการปฏิบัติกันไม่ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นความเข้าใจกันคลาดเคลื่อนอและควรจะทําให้ถูกต้องอะคะ่ะอ๋อก็ก็กกกมีมีหลายอย่างเหมือนกันนะยกตัวอย่างที่เกิดบ่อยๆแล้วคนยังสับสนอยู่บ้างได้ไหมคะก็เช่นอย่างเราไปบิณฑบาตเนี่ยกลายเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยญาติโยมเนี่ย ฮิตในการที่จะใส่เงินขณะบินตบาทจริงๆนะีบินตบาทเนี่ยเพื่อสแสวงหาอาหารค่ะนะแล้วพระรับปัจจัยเงินทองเนี่ยก็ต้องอบัติอยู่แล้วพระเจ้าตรัสว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสกิยาปาจิตติตัวภิกษุจะต้องอบัติปาจิตติเงินทองเป็นนิสกิต้องสละดทิงท่ามกลางสงไปแอบสลากก็ไม่ได้นะต้องสลัท่ามกลางคณะสง์ ห้ามมไ่อ๋อห้ามไม่เล ย, เลยถึงแม<อ>้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันนี้เป็นโลกที่ต้องใช้เงินนี่ก็ไม่ได้ะะใช่ต้องใช้เงินผ่านคาราวาสเนี่ยผู้เจ้าเรียกวิท ย, ยาวจกรผู้ทํากิจทุราแทนสง์อยากจะถวายใช่ไหมถวายได้ไปที่วัดนะพบกับคนนั้นคนนี้ผู้เจ้าอนุญาตให้สงุยย่เนี่ยชี้วิทยาวจกรว่าผู้ใดเนี่ยเป็นผู้ทําทุละแทนท่าน งั้นเท่ากับว่าสมมุติในกรณีแบบคนไม่มีเวลาไปวัดถ้าเกิดมีลูกศิษย์วัดเดินตามมาไม่ได้ถูกชี้โดยพระสงฆ์นั้นว่าเป็นวิยาวัจกรก็รับไม่ได้เหรอคะก็แสดงว่าคนนั้นเนี่ยพระไม่ไว้ใจไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวเงิจะไม่ถึงสมมุติว่าเราเนี่ยถ้าเราถ้าเราอยากเราไม่รู้เราหาอะไรไม่ได้เช่นั้นเรามีแต่เงินเนี่ยก็เห็นลูกศิษย์วัดเดินตามมาเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าห้ามไว้ไม่ให้พระสงฆ์รับเงินใช่ไหมคะ เราสามารถที่จะให้กับลูกสิษย์ได้มนั่นก็เป็นความเห็นของเราอาจจะไม่สำเร็จประโยชน์ก็ได้แม้แต่วยาวัจกรที่ภิกษุชี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จประโยชน์ก็ยังได้อีกเหมือนกันมันมีเรื่องในครั้งพุทจการแล้วที่ภิกษุเนี่ยเข้าไปทวงแล้วไม่ได้พระเจ้าจึงอนุญาตให้ทวงได้ไม่เกิน3มครั้งนะด้วยวาจาและถ้าเขายังเฉยอยู่ ผู้เจ้าก็อนุญาตให้ไปยืนนิ่งต่อหน้าได้ไม่เกินหครั้งให้คนนึกได้เองทําเกินกว่านั้นไม่ได้ถ้าไปยืนนิ่ง6ครั้งแล้วเขายังนึกไม่ได้ยังไม่ทําให้เราก็ต้องปล่อยทําอะไรต่อไม่ได้ก็ต้องปลงอ่าใช่ใชสิ่งสิ่งที่ทําได้อย่างคือไปบอกเจ้าของทรัพย์ว่าเงินของท่านนี้ไม่สําเร็จประโยชน์ให้มาเอาเงินของท่านคืนไปทําได้แค่นี้แม่แต่ สิ่งที่ท่านกําหนดเนี่ยหลับตานึกถึงภาพพระไปยืนนิ่งหกครั้งต่อหน้าแล้วยังไม่ใช่นี่ก็จะว่าไปท่านก็บัญญัติไว้ละเอียดนะไว้ละเอียดแล้วอ๋อเกี่ยวกับการการเกี่ยวข้องกับเงินของพระการซื้อขายการแลกเปลี่ยนเป็นอบาทหมดอย่างเงี้ยเอาไว้เดี๋ยวถ้าโอกาสต่อๆไปมีกรณีที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วยังผิดเพี้ยนอยู่ถ้าพระคุณเจ้าเห็นว่าควรที่จะให้ความรู้กับประชาชนเอาไว้เนี่ยนะคะ ก็อยากจะนมัส ก, การให้ใ ช, ช่วยให้ความรู้<ต>ด้วยแ ต, แต่บางทีมันก็สุดวิสัยนะอาตมาเคยไปบินตาบาท ก, กับพระอาวุโสอยู่ท่านหนึ่งในในกรุงเทพปรากฏว่าเราเราเนี่ยไม่ไม่ได้รับแต่ว่าเขาเคยชินแบบนั้นคนเนี่ยมาใส่บาทกันเต็มเลยนะแล้วก็คว้าเงินมาจากที่ไกลลงในบาทกงเก้งกองเกงกงเกง เ, งเกงต็มไปหมดเลยมือเป็น1ิเป็น1้อยยื่นใส่ลงมาในบาทมันสุดวิสัยที่จะห้ามอันนั้นเราก็ปล่อยเลยตามเลย พอกลับมาถึงถึงบ้านญาติโยมที่เราไปพักอาศัยชั่วคราวะน ะ, ะก็จะมีวิทยาวิจกรที่จัดการธุระ ต, ตรงนี้ให้ให้เราอย่างเนี้ย<ม>แต่ถ้าเรามีเหตุห้ามได้เราก็ห้ามถ้ามันสุดวิสัยเราก็ปล่อยเลยตามเลย น, นั้นอันนี้ก็ต้องดูดูว่าท่านมีเจตนาตรงนั้นหรือเปล่าด้วยบางทีมันท่านก็ไม่ได้ผิดท่านไม่ได้เจตนาแต่บางทีญาติโยมก็เกิด <c oughs> สันทามไม่เป็น ท, <c oughs> นที่เป็นทางเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างกับตัวเองเคยค่ะ เดินทางแล้วก็เจอพระสงฆ์เนี่ยเราก็เกิดหมาปิติอยากทำบุญใช่ไหมคัหมายถึงว่าอยากไม่รู้ว่าท่านไปไหนมาก็ท่านอาจจะต้องเดินทางต่อเราก็นึกในใจเผื่อท่านเอาไว้ใช้เป็นค่าเดินทางค่านว่นค่านี่ก็เคยถวายนะคะๆๆๆใช่ใช่มีมีมีพระสาธรร ม, มิกกันเนี่ยเคยเจอตรงนี้เดินทุดด่งดงไปแถวนครานายก <Gesicht S 2> มีรถคันหนึ่งจอดปื๊ดขอถวายปัจจัยให้ท่านหน่อยค่ะ เอาเงินหยิบมา500ร้อยจะยัดใส่ ย, ยามท่านก็บอกเอาไม่รับหรอกโยมอาตมาไม่ได้รับเงิน ก, ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็พยายามบังคับใส่ไปอยู่ก็เลยเลยตามเลยแต่ท่านก็เมื่อมาถึงหน้าที่หนึ่งที่ท่านการกดแล้วปรากฏว่าเอา๊ะอมาเจอกับญาติโยมที่ที่รู้จักท่านโดยบังเอิญท่านก็เลยฝากเงินนั้นนบอกให้เอาไปคืนโยมคนนั้นหน่อยอนะหรือเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรก็ได้เพราะท่านรับไม่ได้อยู่แล้วท่านเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ไงคือผิดผิด ินัยเป็นวินยันยอใช่ไห ม, มจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต้องต่อเมื่อได้ถวายผ่านผ่านคาราวาว ย, ยาพระเจปก่อนนะผู้ทาธุระแทนเพราะพระเนี่ยเ<อ>มือม่อเมื่อรับแล้วเนี่ยหนึ่งต้องอบัติแล้วในส่วนของรับและสองเมื่อเอาไปซื้อขายก็ต้องอบัติเรื่องการซื้อขายของที่ได้มาก็เรียกว่าเป็นนิสกีของก็ต้องทิ้งอีกเหมือนกันออย่างนี้ยิ่งยิ่งนี้คนเรามีเจตนาเราก็ไม่ได้บุญเลยสิคะเราอยากก็ก็ ก็เราส่งเสริมพระในทางที่ผิดเนี่ยถ้าไปส่งเสริมอย่างนั้นทําให้ท่านเนี่ยทำได้ตามความอยากทุกประการถ้าท่านมีเงินเองก็จะไม่ต่างกับาาคารวะในการพูธการเ<ๆ>ขาบอกอ้าวพระพวกนี้เนะี่ยจะต่างอะไรกับพวกเราอ่ะก็ใช้เงินเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะนั้นพระก็จะทําความผิดได้มากขึ้นเพราะว่ามีเงินเองจับจ่ายใช้สอยเองได้แต่ถ้าจับจ่ายใช้สอยผ่านคารวะก็จะเกรงใจเกิดไปขออะไรที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควร ใช่ไหมคารวาก็จะรู้จะมีคนรู้ไงแต่ถ้ามีเงินเองเนี่ยเราก็จับจ่ายได้โดยที่ไม่ต้องมีใครรู้ท่านคะสําหรับโลกยุคปัจจุบันเนี่ยพระจะลําบากไหมคะยังเป็นไปได้อยู่ไหมคะที่จะยึดแนวทางของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดอย่างนี้อ๋อเป็นไปได้อยอะในใน <c oughs> ในสายวัดวัดป่าเราวัดในสายปฏิบัติเนี่ยนะค่ะ <c oughs> ยังอาตมาไปกับพระอวุโสท่านหนึ่งไปสา ข, ขาของอาจารย์พรมบางโศเนี่ยที่ออสเตรเลีย <c oughs> เราไม่มีเงินติดไปสักบาทหนึ่งค่ะ แต่ก็จะมีคนหนึ่งซื้อตั๋วให้รับเราจากวัดไปส่งสนามบินมีคนไปติดต่อที่สนามบินเช็คอินให้ใจ่ายค่าภาษีให้ไล่ให้นะแล้วเมื่อบินไปถึงที่ออสเตรเลียแล้วก็จะมีคนมารับเรามียานพาหนะมารับเราไปจนถึงวัดเขาจะมีการรับส่งกันเป็นทอดๆไปเรื่อยๆเพราะนั้นพระเนี่ยเดินทางยากเดินทางลําบากนะ mm hmm. การเดินทางของพระเนี่ยจะต้องมีการประสานกันเยอะแยะหลายฝ่ายนะ mm hmm. มันก็เป็นเป็น สิ่งดีด้วยว่าพระจะได้อยู่ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเนไม่งั้นก็จะเที่ยวออกเดินทางไปทั่วเลยคือที่ฟังอีูนีนะคะก็มีความรู้สึกเข้าใจในพระวินัยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังถ้าเราจัดสรรระบบดีแล้วมันจะคล่องนะใ น, ใ, นในสายปฏิบัติเนี่ยเราย่าวยมจับคล่องมากเรื่องนี้จะรู้เลยว่าอ๋อพระเดินทางจะต้องทำอย่างไงบ้างจะต้องมีคนซื้อตั๋วมีคนมารับเขาจะประสานกันเลยว่าใครจะเป็นคนไปรับท่าน ขามาขากลับตัวท่านใครเป็นคนรับผิดชอบนะถ้าเดินทางอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะละเอียดละออในเรื่องนี้มากก็ก็มีเหตุผลนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ยังสังเกตอยู่ว่าสำหรับในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะมีที่ยังบางบางที่ก็ยังใช้ความสะดวกสบายว่าอาจจะอำนวยความสะดวกญาติโยมใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นแนวทางของผู้เจ้าเป็นแนวทางนี้ก็ฝากไว้พิจารณากันเ่าะญาติโยมเห็นเป็นอย่างนั้นเราเลยต้องเคารพความเห็นผู้เจ้าไงใช่ไหมไอ้ความเห็นเราว่าเอ้ยมันก็ดีนะเราก็อยากได้อยากใช้ให้มันเกิดความสะดวกลดภาระของญาติโยมแต่ในเมื่อผู้เจ้าวางความเห็นไว้อย่างนี้ซึ่งในอนาคตมันอาจเป็นเหตุเสื่อมซึ่งท่านบอกอานนท์เนี่ยอานนท์เนี่ยอสสลพิษของพิสุตัวเงินเนี่ยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นผู้เจ้ามองแล้วในอนาคตมีปัญหาแน่เพราะนั้นผู้เจ้าจึงบัญญัติเอาไว้ ก็ฝ่าไม่คิดเรว่าตัวเองเนี่ยทำรายการเนี่ยคิดอยู่เสมอเลยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพูดถึงในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้แต่กลับกลายเป็นว่าเหมือนกับเรากําลังจะไปตําหนิคนอื่นเขาว่าทําในสิ่งที่ผิดซึ่งเขาไม่เข้าใจว่าเจตนาเราต้องการที่จะดํารงในของดีของเดิมเอาไว้เพื่อความไม่เสื่อมของศาสนาเนี่ย ก็อาจจะทำให้หลายท่านเข้าใจผิดดังนั้นอยากจะให้เป็นปในลักษณะที่ว่าเราเอาความรู้มาบอกท่านช่วยไปพิจารณากันต่อไปนะคะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันก็จะทำให้เกิดปัญญามากขึ้นเพราะบางคนเนี่ยมีเจตนาอยากจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดแต่ไม่รู้คนเหล่านี้จะได้หรือพระอรหนี้ก็จะได้พัฒนาตนเองขึ้นได้ รู้ <คะ S 1> ทรู้วินยัยหรือว่าใฝ่ศึกษาว่าอะไรถูกอะไรควรอย่างนี้ในขณะที่คารวะ <c oughs> เองก็จะได้อยากได้บุญแล้วได้บุญตามประสงค์ไม่ใช่ว่ า, า, า, าเลยไม่ได้บุญอย่างที่อยากได้ <c oughs> นะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งแล้วคิดว่าคงจะไม่ได้มีแค่ตัวอย่างที่ยกไปนะคะเดี๋ยวเราจะ ค่อยๆยกมาเป็นระยะระยะสลับกับเรื่องถามโลกตอบธรรมอย่างอื่นก็นแล้วกันเพราะว่ารายการนี้ไม่อยากให้เป็นบรรยากาศของการที่ใครมาบอยมาจับผิดพระหรือเปล่านะคะ